จเจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กุมภาพัน์พุทธศักราชสองพันหเเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาพัฒนา ชีวิตจิตใจให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยความสุขเพราะการพัฒนาชีวิตจิตใจนี่เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการพัฒนาที่ถาวรเป็นการพัฒนาที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสิ้น ไม่เหมือนกับการพัฒนาทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญเป็นการพัฒนาชั่วคราวเป็นการพัฒนาปลอมไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเพราะว่าไม่ว่าจะได้ลาบยศสรรเสริญมามากน้อยเพียงไรก็ตามไม่ว่าจะดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่ดีกินดีมากน้อยเพียงไรก็ตามในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปลาบยศสรรเสริมที่หามาได้มากมายกายกองก็จะเป็นของผู้อื่นไปนี่คือการพัฒนาปรอมที่เราอยากไปหลง อย่าไปติดกับการพัฒนาแบบนี้เพราะจะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเวลาที่ต้องแก่เวลาที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่จะต้องตายจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ ขณะที่อยู่ก็มีความวิตกกังวลหวงใยกับสิ่งต่างๆกับสมบัติต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสุขภาพร่างกายของตนแต่จะวิตกจะห่วงจะกังวลอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งปกป้องรักษาการสิ้นของสิ่งต่างๆไปไม่ได้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้พวกเราหลงติดอยู่กับ ก, บการพัฒนาทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญแล้วก็ทรงสอนให้มาพัฒนาจิตใจที่เป็นสิ่งที่ถาวรยั่งยืนไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นเหมือนกับร่างกายถ้าเราพัฒนาจิตใจแล้ว เราก็จะเจริญขึ้นไปตามลําดับจากขั้นโลกิยะเข้าสู่ขั้นโลกุตระขั้นโลกิยานี้ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังวานาตาคือยังเจริญเจริญได้ก็ยังเสื่อมได้อยู่แต่ถ้าเข้าสู่ขั้นโลกุตระขั้นสู่ที่เหนือโลกเนอ เหนือโลกิยะก็จะหลุดออกจากอิทธิพลของตายรั์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะไม่มีแวมเสือมมีแต่เจริญขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดนี่คือพัน์เรื่องของการพัฒนาจิตใจที่จะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง นำมาซึ่งความเจริญที่แท้จริงดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการพัฒนาจิตใจด้วยการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราทำได้จิตใจของเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอน พอพระพุทธเจ้าได้ทรงพัฒนามาแล้วพ้าอาหารต่อสาวกทั้งหลายก็ได้พัฒนามาแล้วพวกเราก็จะสามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านได้ปฏิบัติมาและปฏิบัติตามที่ท่านได้สอนให้เราปฏิบัติกันสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็มีอยู่สามสี่ขั้นด้วยกัน ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานขั้นที่สองเรียกว่าสีขั้นที่สาเรียกว่าภาวนาที่แบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันคือสมาธิหรือสมถะภาวนาและปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนานี่คือการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจ ให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าปฏิบัติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองได้ทำทานได้ไม่เสียดายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีอะไรพอแบ่งปันพอช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็แบ่งปันไปไม่หวงไม่เก็บเอาไว้เพราะว่าตายไปจะเอาไปไม่ได้ แต่ทานบารมีคือการให้นี่แหละจะไปกับเราแล้วไปข้างหน้าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็จะมีสินข้าวของต่างๆเงินทองต่างๆรอเราอยู่เหมือนกับการมีบัตรเครดิตเวลาเราเดินทางไปไหนเราไม่ได้พกพาเงินทองไปแต่เรามีบัตรเครดิต เราก็สามารถใช้บัตรเครดิตแทนเงินทองได้เงินทองเราเอาก็เอาไปฝากไว้ในธนาคารแล้วทางธนาคารเขาก็จะออกบัตรเครดิตมาให้เรารับรองว่าเรามีเงินฉันใดเวลาที่ใจต้องจากโลกนี้ไปถ้าใจไม่ได้ทำทานใจจะไม่มีบัตรเครดิตติดไปด้วย เวลาไปก็จะไปแบบขอทานเลือกขอทานจางจิตตะวิญ ญ, ญาณหรือไปแบบคนยากจนไม่มีทรัพย์ไม่มีข้าวของเงินทองแต่ถ้าทําทานอยู่เรื่อยๆก็จะมีบัตรเครดิตติดตัวไปเวลาไปไหนต้องการอะไรก็สามารถใช้บัตรเครดิตเอาสิ่งที่ต้องการได้ แล้วก็ถ้าเราทาขั้นที่สองได้คือรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปะเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาถ้าเราตายไปจิตใจของเราจะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิด ในารกถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วถ้าเราทำบุญด้วยเราก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนได้ไปเกิดเป็นเทพขั้นต่างๆแล้วก็พอหมดกำลังของบุญที่เราได้ทำไว้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่จะเป็นมนุษย์ที่มีบารมีมีบุญมีทานบารมีมีศีลบารมีส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางด้านรับทางด้านลาบยศสรรเสริญมีรูปร่าหน้าตาผิวพรรณ ผ, ผอใสหน้าตาสวยงามมีอาการครบสาสิบสองมี อายุยืนยาวนานปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต่างๆอันนี้เป็นอ น, อ น, นิสงส์ที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจด้วยการทำทานและรักษาศีลแต่ยังถือว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ถาวรแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้พัฒนาเลย ถ้าไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างดังนั้นเราต้องพยายามทำทานและรักษาศีลให้ได้พยายามทำอย่างต่อเนื่องทำให้ติดเป็นนิสัยไป เพราะถ้าทำติดเป็นนิสัยแล้วก็จะทำง่ายวิธีที่จะทำให้ติดเป็นนิสัยก็ต้องทำทุกวันเช่นทานเราก็ให้ทุกวันให้มากให้น้อยให้ใครก็ได้แบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินความจำเป็นอย่าหวงเก็บเอาไว้จะให้ใครก็ได้เหมือนกันได้ทานบารมีเหมือนกันให้พระก็ได้ ให้คารวะญาติโยมด้วยกันก็ได้ให้พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตสหายก็ได้ให้บุคคลที่เราไม่รู้จักก็ได้ให้แล้วมันก็จะกลายเป็นเครดิตขึ้นมาเป็นบัตรเครดิตที่จะตอบสนองความต้องการของเราในอนาคตเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเหนื่อยร้อน นี่คือเรื่องของการทำทานพยายามทำทุกวันจะได้ติดเป็นนิสัยไปพอเป็นนิสัยแล้วก็จะทำง่ายเช่นบางท่านนี่ติดนิสัยการใส่บาตรวันไหนใส่บาตรไม่ทันนี่จะต้องขับรถตามไปใส่บาตรตามพระไปถ้าพระเดินอยู่ข้างหน้าก็ขับรถตามไปใส่หรือถ้าพระ ก, กลับมาวันแล้วก็ขับรถมาที่วัดเพื่อมาใส่บาตร พอเวลาได้ทำทานแล้วจิตใจจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการทำทานถ้าเราไม่มีพระผ่านมาทางบ้านเราเราอยากจะทำบุญกับพระทำบุญกับวัดเราก็เอาเงินใส่กระปุกไปวันละเล็กวันละน้อยใส่ไปทุกวันแล้วเวลาที่เรามาวัด เราก็เอาเงินที่ใส่ในกระปุกนั้นมาถวายวัดก็เท่ากับเราได้ทําบุญทุกวันข้อสําคัญเงินที่เราใส่ในกระปุกนี้เราต้องไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วต้องไม่เอาไปใช้โดยเด็ดขาดต้องถือว่าเป็นของวัดของพระแล้วเราเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะเอาไปถวายถึงที่ได้เท่านั้นเอง ถ้าจิตใจเราแน่วแน่ปล่อยวางกับเงินก้อนนั้นแล้วก็ถือว่าเราได้ทาทานแล้วแต่ถ้าเรายังหวงอยู่บางวันอยากจะซื้อข้าวซื้อของเงินทองขาดไม้ขาดมือก็มาหยิบเงินในกระปุกไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่ได้ทาทานแล้ว ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้อานิสงส์จากการทำทานคือความสุขใจอิ่มใจและผลที่จะตามมาในอนาคตเมื่อเราเอาเงินใส่กระปุกแล้วเราก็ต้องถือว่าไม่ใช่เป็นเงินของเราแล้วเหมือนกับเวลาที่เราใส่บาทของใส่บาทนี้เราไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วแล้วเราจะได้ผลทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่ได้เอาไปให้บุคคล นั่นเรื่องบุคคลนี้ก็ตามแต่ใจเราได้ปล่อยแล้วการปล่อยนี่แหละเรียกว่าเป็นการทำทานทำทานก็ปล่อยความหลงความยึดติดความตนีความหวงในสมบัติข้าวของเงินทองที่จะทาให้จิตใจของเราคับแคบทำให้จิตใจของเราไม่มีความสุขนั่นเองนี่คือเรื่องของการทำทาน ที่เราควรจะทาทุกวันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอเช่นเดียวกับการรักษาศีลรักษาศีลห้าก็พยายามรักษาให้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาครบได้ทุกข้อก็ขอให้รักษาเท่าที่เราสามารถรักษาไปได้ก่อนถ้ารักษาได้สี่ข้อก็รักษาไปก่อนรักษาสามข้อได้ก็รักษาไปก่อน รักษาข้อเดียวได้ก็รักษาไปแล้วพยายามเพิ่มมันขึ้นไปทีละข้อสองข้อแล้วต่อไปเราก็จะได้ครบห้าข้อเวลาเรารักษาศีลแล้วเราจะมีความสุขใจพอใจของเราจะไม่มีความรู้สึกหวาด ก, กลัวต่อบาปกรรมที่เราทำไปนั่นเองคนที่รักษาศีลแล้วจะมีเจ็ดใจที่แน่วแน่มัน่นคง ไม่หวั่นไว้กับเหตุการณ์ต่างๆเพราะรู้ว่าจะไม่มากระทบกับตนเองอย่างแน่นอนเพราะตนไม่ได้ไปกระทํำบาปไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วเวลาที่ตายไปก็จะได้ปิดประตูวายได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรนกแล้วก็จะได้ไปเป็นเทพขั้นต่างๆ ตามกำลังของทางของศีลที่เราได้รักษาไว้ถ้ารักษาได้มากก็จะได้เป็นเทพขั้นสูงถ้ารักษาได้ปานกลางก็จะได้เป็นเทพขั้นกลางถ้ารักษาได้ต่ําก็จะได้เป็นเทพขั้นต่ําไปตามกําลังของทางและศีลที่เราทําไปถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจให้สูงกว่าขั้นเทพอยากให้ขึ้นสู่ขั้นพรหม เราก็ต้องทำปฏิบัติอีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องทำใจให้สงบคือจเจริญสมถะภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดฌานขึ้นมาภายในใจเกิดความสงบใจที่สงบนิ่งนี่แหละเป็นใจที่จะไปเกิดในคมมาลิกต่อไปวิธีที่จะทำใจให้สงบก็คือต้อง ใช้สมถภาวนาคือการเจริญสติไม่ว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องกำกับใจก็ใช้ได้เหมือนกันจะใช้พุทธานุสติก็ได้เช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปจะใช้ธรรมานุสติก็คือการสวดมนต์ก็ได้จะใช้อนาปนานสติคือการดูลมหายใจเข้าออกไป ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ได้หรือจะใช้กายกตาสติคือใช้ร่างกายค่อยเอาใจผูกติดไว้อยู่กับร่างกายให้ทาอะไรพร้อมไปกับร่างกายเช่นเวลาร่างกายเดินก็ใจก็เดินไปกับร่างกายเวลาร่างกายอาบน้าใจก็อาบน้ำไปกับร่างกาย เวลาล้างหน้าก็ล้างหน้าไปกับร่างกายเวลาแปรงฟันก็แปรงฟันไปกับร่างกายคือให้ใจอยู่ติดกับร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปที่อื่นไม่ใช่อ่างน้ําไปก็คิดถึงงานที่กําลังจะไปทำํำและคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติไม่มีกายะคตาสติถ้าใช้พุโทโธบริกรรมพุโทโธ ก็ต้องบริกรรมพุทธโธไปไม่ว่ากําลังจะทําอะไรกําลังเดินกําลังยืนกําลังทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็บริกรรมพุทธโธไปแต่ถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดบริกรรมชั่วคราวเช่นต้องคิดบัญชีบวกลบคูณหารหรือต้องวางแผนเกี่ยวกับการงานที่จะต้องทําหรือแก้ปัญหาต่างๆที่ต้องใช้ความคิด ตอนนั้นเราก็หยุดบริกรรมพุโทโธไปก่อนใช้ความคิดเท่าที่จำเป็นพอคิดเสร็จแล้วไม่ต้องคิดแล้วเราก็กลับมาบริกรรมพุโทโธต่อจนกว่าใจไม่คิดถ้าใจไม่คิดอะไรรู้เฉยเฉยก็หยุดบริกรรมพุโทโธได้ให้รู้เฉยเฉยว่าตอนนี้กำลังทำอะไรต่อไปเวลามีมีเวลาว่างมานั่งสมาธิ นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจไม่วกแวกใจตั้งมั่นอยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวคือพุโทโธหรือลมหายใจเข้าออกใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบได้ใจก็จะมีความสุขอย่างมาก เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แล้วถ้าเกิดต้องตายไปใจก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมแต่ยังอยู่ภายใต้กฎของโลกิยะคือตายลักอยู่ถึงแม้ได้ไปเกิดบนชั้นพรมก็จะเสื่อมลงมาตามลำดับต่อไป จากชั้นพรหมก็จะเสื่อมลงมาเป็นชั้นเทพจากชั้นเทพก็จะลงมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาบำเพ็ญใหม่มาทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิใหม่แล้วก็จะกลับขึ้นไปสู่ชั้นพรหมได้แต่ถ้าอยากจะพัฒนาอย่างถาวรอย่างที่ไม่ต้องกลับลงมาอีกต่อไปก็ต้องเจริญธรรมะขั้นที่สีก็คือขั้นปัญญา หรือเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าเราจเจริญขั้นวิปัสสนาภาวนาได้เราก็จะสามารถพัฒนาก้าวเข้าสู่ขั้นของมรรคผลนิพพานได้เข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้คือขั้นของพระโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและพระอารหันต์ตามลำดับต่อไป การที่เราจะมีปัญญาได้เราก็ต้องพิจารณาตามที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาคือให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอริจังทั้งนั้นคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นข้าวของเงินทองต่าง รวนเป็นของชั่วคราวทางนั้นมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับได้เช่นร่างกายของเรามีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าเราจะปล่อยหรือไม่ปล่อยมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ถ้าเราปล่อยได้เราก็จะบรรลุเป็นผ้าสโซดาบัได้คือเราละสักกายาทิฏฐิได้ คือความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานั่นเองถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงมันจะต้องกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราจะไปหวงมันไว้ทำไมเนื่องถึงเวลาที่มันจะไปก็ปล่อยมันไปพอปล่อยได้ก็จะไม่ ไม่มีความทุกกับร่างกายเช่นเดียวกับความเจ็บเวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเพราะว่าเราไม่ได้เจ็บกับมันความเจ็บนี้เป็นของร่างกายร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมในเมื่อเราไม่เจ็บเหมือนเวลาเราเห็นคนอื่นเขาเจ็บแล้วเราก็ไปเดือดร้อนแทนคนอื่นเขาทั้งทั้งที่เราไม่เจ็บเลย ฉันใดร่างกายกับใจก็เป็นเหมือนคนสองคนร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งเวลาร่างกายเจ็บใจไม่ได้เจ็บไปด้วยเวลาร่างกายตายใจไม่ได้ตายไปด้วยผู้ที่สามารถแยกกายออกจากใจได้ใจออกจากกายได้ผู้นั้นก็จะปล่อยวางร่างกายได้จะไม่หลงยึดติดจะไม่หลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา ก็สามารถที่จะบรรลุ ข, ขั้นโสดาบันได้ถ้าเป็นขั้นโสดาบันแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่จะไม่มีวันเสื่อมลงจากการเป็นผ้าโสดาบันจะไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกต่อไปจะเป็นผ้าโสดาบันเป็นผู้ที่มีความเข่งคัดต่อการรักษาศีลต่อการทำทาม จะไม่เสียดายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจะรักษาสิลยิ่งกว่าชีวิตของตนนี่คืออ น, นิสง์ของการเจริญธรรมะขั้นที่สคือคือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาและถ้าเจริญปัญญาขั้นต่อไปได้คือพิจารณาเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้ คือมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้เห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังได้เห็นความสกปรกที่ถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายได้ก็จะดับความอยากในการอารมณ์ได้ถ้าดับในการอารมณ์ได้เพียงบางครัง้งบางคราวหรือทำให้เบาบางลงไป ก็จะได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคามีถ้าสามารถกำจัดการมารมให้หมดไปได้หมดก็จะได้บรรลุเป็นขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีถ้าบรรลุขั้นพระสกิดาคามีขั้นที่สองก็จะกลับมาเกิดไม่เกินหนึ่งชาติเป็นอย่างมากถ้าบรรลุเป็นพระอนาคามีได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ต่อไปได้ขั้นพระอาหารหันต์นี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าจิตใจเป็นตัวรู้ไม่ใช่เป็นตัวตนไม่มีตัวตนในจิตใจตัวตนนี้เป็นสมมุติเป็นความหลงเป็นที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเอง เช่นคิดว่าเป็นเราเราเป็นเรามันเป็นเพียงความคิดความจริงแล้วไม่มีเราความจริงแล้วมีแต่ตัวรู้เท่านั้น <c oughs> ผู้ที่บำเพ็ญไปถึงขั้นนั้นแล้วก็จะสามารถแยกตัวตนออกจากตัวรู้ได้รู้ว่าตัวตนนี้เป็นสมมุติที่เกิดจากความหลงผลิตขึ้นมาด้วยการ ด้วยการจำได้หมายรู้และด้วยการคิดตูแต่เท่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ตัวรู้สักแต่รู้เท่านั้นถ้ารู้อย่างนี้ได้ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือการพัฒนาทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นมาตามลำดับถ้าเราทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็คือทำทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอจเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิอย่างสม่ำเสมอแล้วก็พิจารณาอ น, นิจจังทุกขงังอนัตาอย่างสม่ำเสมอให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเพราะว่า มีส่วนที่ไม่สวยงามที่มีผิวหนังคอยปกปิดหุ้มห่อไว้อยู่เท่านั้นเองถ้ามองเข้าไปลึกๆแล้วก็จะเห็นว่ามีอวัยวะต่างๆที่ไม่ดูไม่สวยงามเลยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้แล้วก็จะได้ไปถึงขั้นสูงสุดได้ ก็จะไม่มีวันที่จะเสื่อมลงมาอีกต่อไปเป็นพระอาหารหันตสาวกไปตลอดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไปตลอดไม่มีวันที่จะเสื่อมลงมาเป็นปุตุชนไม่มีวันที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงต้องพิจารณาที่จิตใจ ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและเจริญปัญญาด้วยการพิจ า, ารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วผลต่างๆคือการพัฒนาจิตใจก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดซึ่งขอฝาก เรื่องของการพัฒนาที่จีรังถาวองที่ยังอยู่นี้ให้ท่านได้นำมาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาตรัย